ท่านผู้ฟังที่ตื่นมาเวลาเช้าก็หาสิ่งที่เป็นธรรมะเข้าสู่ใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือก็ตามอ่านสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินยัยให้มันผ่านตาเข้าไปในใจไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิทําความรู้มีสติตั้งอยู่หรือว่าแม้แต่ฟังธรรมะอย่างนี้ก็ตามให้ธรรมะผ่านหูเข้าไปถึงใจ่ ในความเห็นของข้าวเจ้าคือว่าคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ประเสริฐละเป็นคนประเสริฐคนดีเพราะว่ารู้จักหาสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยเข้าไปในใจของเราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนประเสริฐเป็นคนดีผระเจ้าก็ยังได้พูดถึงคนที่พยายามที่จะปฏิบัติตามปริยมญญามีองค์แปดไม่ว่าจะอยู่ขั้นไหนก็ตามหลังคือคุณเดินไปตามทาง คุณมีการแสวงหาสิ่งที่เป็นกุศลพยายามที่จะละออกเสียซึ่งสิ่งที่เป็นอกุศลการที่เราเอาสิ่งที่ไม่ดีออกเอาสิ่งที่ดีเข้าการกระทาตรงนี้เรียกว่าสัมมาวยามะความเปลี่ยนชอบคนที่เป็นอย่างนี้หนูก็คิเป็นคนที่ประเสริฐบางทีผลมันอาจจะได้หรือจะไม่ได้แต่มันก็แล้วแต่ขั้นไปแต่ไม่ว่าจะเป็นขั้นไหนหนูก็ประเสริฐเหมือนกันแต่ถ้าขั้นต้นๆขั้นรแรกๆ อาจจะมีความสงบในใจเท่านี้ทําได้แค่เรื่องกายเรื่องวาจาความสงบในใจจะไม่เกิดเราก็ประเสริฐขั้นที่สูงขึ้นไปกายวาจาควบคุมได้อย่างต่อเนื่องจิตใจสงบเป็นสมาธิเห็นความสุขในใจอันนี้ก็ดีขึ้นไปอีกบางคนจิตสงบแล้วทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีความเป็นอารมณ์เดียวเห็นตามที่เป็นจริงปล่อยวางได้อันนี้ก็ดีมากที่สุดแต่เป็นลักษณะของผลที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่ว่าเราจะอยู่ผลในขั้นไหนก็ตามตการดำเนินชีวิตตามเนี้ยเปิดทีจะเอาธรรมะเข้าสู่ใจเอาสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินยัยเข้าสู่ใจพยายามเอาสิ่งที่ไม่ดีความคิดชั่วความเสพผิดดิ้นรนความพยศในใจออกไปไม่ว่าจะอยู่ขั้นไหนท่าั ง, งแต่เป็นคนประเสริฐแน่นอนคนประเสริฐแบบนี้ในาชะตากรรมดีแน่เพราะว่าเวลาที่ถูกต้องความทุกข์เนี่ย คนที่ประเสริฐคนที่ดีคนที่รู้ธรรมะเคยฟังธรรมะเคยปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบนอกรูปแบบก็ตามจะสามารถรู้วิธีปลดเปลื่องซึ่งทุกเขเวทนาอย่างอื่นที่มันถูกต้องคนธรรมดาเขาเป็นยังไงแต่คนที่ไม่เคยรู้ธรรมะไม่เคยปฏิบัติธรรมะในเวลาที่ถูกต้องทุกเขเวทนาถูกทุกเขเวทนาเสียบแทงแล้วเนี่ยแน่นอนนื้กายมันก็ทุกขเหมือนกัน คนที่ประเสริฐแต่คือคนที่รู้จักหากุศลธรรมเข้าสู่ใจเนี่ยแล้วก็ถูกต้องทุกขเวทนาบางทีก็มีเหมือนกันเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีเป็นธรรมดาคนที่มีร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้พระเจ้าอายุแปแล้วก็ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารแล้วก็ป่วยทุกคนป่วยแล้วก็มีความเจ็บทางกายเกิดขึ้นเนี่ยมีความเจ็บทางกายเกิดขึ้นคนธรรมดาคนที่เขา ไม่ได้แสวงหาธรรมะไม่รู้เรื่องธรรมะเขาก็ป่วยได้เจ็บได้เจ็บอุบัติเหตุบ้างเจ็บถูกคนเบียดเบียนบ้างเจ็บจากโรคภัยแค่เจ็บบ้างลหลายสาเหตุมีได้นะแต่ว่าชะตากรรมจะไม่เหมือนกันคนที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่รู้เรื่องธรรมะไม่เคยฟังธรรมะนะปุถุชนธรรมดานะท่านผู้ฟังคือบางคนอาจจะคิดว่าเออเราฟังธรรมะเนี่ยเราก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาแต่ว่าเข้าใจความหมายให้ถูกต้องนิดนึง แต่ในความหมายที่ผูช้ชอบพูดถึงปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาหรือว่าคนที่ไม่ร่ํารวยหรือว่าคนที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรเป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยคือคนที่มันไม่เคยฟังธรรมะแต่ถ้าเราเป็นชาวบ้านทัท่วๆไปไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มียศตําแหน่งแต่ถ้าคุณตื่นเช้ามารู้จักหาธรรมะเข้าสู่ใจอันนี้คนประเสริฐนะไม่ใช่ปุถุชนคนธรรมดานะ เป็นคนประเสริฐที่อยู่ในร่างของคนธรรมดาตัวทั่วไปจะพูดง่ายๆคือเป็นเทวดาที่เดินดินน่ะละเพราะว่าจิตใจมันสูงจิแใจมันประเสริฐจิตใจมันดีแล้วจิตใจเป็นเทวดาอย่างนี้ร่างกายเราอาจจะอยู่ในเครื่องแบบของชาวนาอาจจะอยู่ในเครื่องแบบของคนทํางานออฟฟิศอาจจะอยู่ในเครื่องแบบของข้าราชการมียศตําแหน่งอันนี้แล้วแต่แต่ว่าจิตใจนั้นประเสริฐในทางตรงกันข้ามคนเนี้ยจะอยู่ในเครื่องแบบของข้าราชการมียศตําแหน่ง แต่ถ้าจิตใจเป็นปุถุชนคนหนาไม่รู้เรื่องธรรมะอันนี้นี่คือความหมายของข้าพเจ้าที่หมายถึงคําว่าปุถุชนคนธรรมดาเพราะไอ้เจ้าปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่เคยได้ฟังธรรมะไม่เคยปฏิบัติธรรมะไม่รู้เรื่องว่าอะไรคือกุศลอกุศลนะทำมั่วไปหมดตามหน้าตำหลังไม่รู้เรื่องในเวลาที่มีความทุกขเวทนาเกิดขึ้นไม่ว่าเขาจะแกล้งหรือว่าจะถูกเบียดเบียน อุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเหตุจากธรรมชาติอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้ละแล้วก็สิ่งที่เขาคิดว่าจะมาบรรเทาความทุกข์กายแบบนี้ได้ก็จะเป็นสิ่งเครื่องมือที่เขาใช้อยู่เป็นประจาคือเรื่องของการมาสุขแต่บุคุชนคนธรรมดามีความทุกข์ถูกต้องแล้วคิดว่าการมาสุขเนี่ยจะมาเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้ได้แต่ความทุกข์ทางกายเช่นเกิดอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บนะ แล้วก็คิดว่าออการที่เราไปหาความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นพวกนี้จะมาบรรเทาความทุกข์ทางกายของเราตรงนี้ได้ก็เลยไปสแสวงหาความสุขที่เกิดทางตาทางหนะูการมาสุขตรงนั้นนะพอทําแล้วก็เป็นเรื่องอะไรนี้เพราะว่าการมาสุขเนี่ยมันมีโทษมากมีคุนนิดเดียวนะคุนของมันนิดเดียวแต่ถ้าเปรียบเหมือนก็คือเวลาที่เราเป็นแผลยุงกัด แต่มันคั น, นแล้วก็เกาแพอเกาแล้วรู้สึกสบายนิดหนึ่งแต่ว่าแผลเปิดน้นนาเหลืองไหลมแมลงวันตอมเชื้อโรคเข้ามายิ่งอักเสบมากขึ้นแผลก็ยิ่งลุกรามติดเชื้อมากขึ้นการ จ, จะลุกรามใหญ่โตถึงเชื้ออื่นๆเข้าไปเป็นเรื่องใหม่ไปอีกแต่แต่ว่าความสุขมีนิดเดียวคือตรงที่รู้สึกสบายจากการที่เกาหน่อยหนึ่งเวลาที่ปุผูนคนธรรมดาไม่ว่าเขาจะอยู่ในร่างของใคร อยู่ในเครื่องแบบใด้พอทุกขเวทนาถูกต้องแล้วก็ไปเที่ยวหาความสุขทางตาทางหูไปหากินหาเที่ยวหาดื่มหาเล่นหาพักผ่อนยอนใจตรงนั้นตรงนี้คิดว่าจะมาบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายได้แต่ว่านั่นกลับนําปัญหาใหม่เข้ามาอีกเช่นว่าบางทีไปหากินที่เน้นให้เขาบริการให้เราได้ไม่อย่างที่เราต้องการด่ากันอีก เครียดอีกไม่พอใจอีกเสียตางด้วยหรือไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจตามชายทะเลตามภูเขาเขาบริการให้เราไม่ดีหรือว่าเราจะไปหาความสุขนั้นอากาศมันกลับไม่เป็นอย่างที่เราต้องการทำไมตรงนี้มีขยะตรงนั้นก็ดูไม่เรียบร้อยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหม่อีกมีความทุกข์เกิดขึ้นอีกคิดว่าตัวเองจะบรรเทาพักผ่อนหย่อนใจให้หายความทุกข์ทางกายแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้น กลับเพิ่มความทุกข์ของตัวเองแล้วความทุกข์กายนั้นก็ไม่ได้ว่ามันจะบรรเทาลงไปอันนี้คือบุนคคลขนหนาที่ว่าไม่รู้ธรรมะไม่เคยฟังธรรมะแต่คนประเสริฐที่ฟังธรรมะอยู่คนประเสริฐที่หาธรรมะเข้าสู่ใจคนประเสริฐที่ไม่ว่าจะอยู่ในร่างกายของคนแบบไหนจะเป็นชาวนาะชาวบ้านร้านตลาดเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เป็นฐานตำรวจหรือใครที่จิตใจเนี่ยมีความดีจิตใจมีเรื่องธรร ม, มะอยู่ในใจเวลาทุกขเวทนาถูกต้องอาจจะเจ็บป่วยบ้างอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ้างอาจจะมีใครทําร้ายบ้างอาจจะเป็นโรคที่เกิดจากอากาศแปรปรวนหรือว่าโรคที่เกิดจากผลของกา ร, รกระต่าเถอะมันเกิดขึ้นได้แต่เพราะว่าใจมีธรร ม, มะเพราะว่าใจเนี่ยได้เคยรู้ธรร ม, มะ พระใจเนี่ยได้เคยได้ยินธรรมะแต่เขาจะมีวิธีทางออกทางแก้ปัญหาของทุกเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายเนี่ยอย่างอื่นนอกจากการมาสุขการมาสุขแก้ไม่ได้จำบ้ังคือต้องทำความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งอย่างเช่นมาถ้าคุณปวดขาแล้วคุณไปหาหมอเพื่อจะนวดให้มันหายหลังการนวดเพื่อที่ให้หายจากไข้นี่เป็นวิธีการแก้ของทางร่างกายเขาถูกไห อันนี้ไม่ใช่ว่าเราไปหาความสุขจากการนวดสัมผัสทางกายอันนั้นจะเป็นคนละเรื่องกันอันนี้หมายความว่ายังไงแต่หมายความว่าถ้าเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคเป็นอุบัติเหตุอะไรที่หมอเขาต้องมีวิธีการรักษาอันนั้นก็รักษาไปตามกระบวนการใช่ไหมเช่นกินยาบ้างต้องนอนพักบ้างต้องนวดบ้างต้องทํากายภาพบ้างอะไรก็ต้องรักษาไปตามนั้นนะตามเหตุแห่งการที่มันจะต้องเป็นอันนี้ทางกายต้องดําเนินไปแน่นอน ทั้งคนที่รู้ธรรมะทั้งปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่รู้ธรรมะทั้งคนประเสริฐที่รู้ธรรมะก็ต้องทําไปตามกระบวนการแต่คนมีเงินเยอะหน่อยอาจจะรักษาดีหน่อยคนมีเงินน้อยหน่อยก็อาจจะรักษาธรรมดาหน่อยอันนี้ก็ไปตามเรื่องของเขาไม่ว่าจะเป็นคนมีเงินที่อยู่ในคราบของปุถุชนหรือว่าคนจนที่อยู่ในคราบของคนประเสริฐหรือคนมีเงินที่อยู่ในคราบของคนประเสริฐก็มีแต่คนจนที่อยู่ในคราบของปุถุชนก็มี แล้วเขาก็รักษาไปตามเหตุตามปัจจัยล่ะรักษาไปตามกำลังรักษาไปตามความสามารถของตนอันนี้ก็รักษาไปในการรักษาตรงนั้นจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรรมาสุนะคือถ้าไปหานวดเพื่อที่ห้ยมันหายปวดตรงนั้นตรงนี้เป็นไปตามกระบวนการรักษาอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับกรรมาสุหรือว่าอาหารการกินบางอย่างที่มันจะตอบสนองกับโรคนั้นอย่างดีหามากินหามาดื่มอันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการรักษา จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกา ร, ร ม, มันสุขอันนี้ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะเช่นยาหรืออาหารประเภทนี้มันจะดีหน่อยมันถูกกับโรคประเภทนี้มันจะรักษา ห, หายได้แต่คุณก็ไปหามากินในเพื่อที่จะเป็นการรักษาโรคแต่ทีน่นี้มันก็จะมีบางประเด็นที่ว่าอาหารการกินประเภทนั้นหรือว่าการรักษาแบบนั้นแบบนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคอะทีนี้แต่ว่าเราดันไปหาความสุขทางกา ร, รที่เกิดจากลิ้น ที่เกิดจากสัมผัสทางกายแต่จำลองต้องแยกแยะให้ออกนิดนึงว่าการที่เราถูกสัมผัสใดสัมผัสหนึ่งแล้วเรามีความสุขที่เกิดขึ้นทางกายกับการที่ถูกสัมผัสใดสัมผัสหนึ่งแล้วเป็นไปเพื่อรักษาโรคมันคนละอย่างกันการที่ลิ้นเรารับรู้รสสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีความยินดีลุ่มหลงในรสนั้นกับการที่ร่างกายของเราได้อาหารประเภทนี้แล้วมันจะรักษาให้ดีขึ้นได้เนี่ยมันคนละอย่างกัน เพราะนั้นสิ่งที่เราเอาเข้าปากสิ่งที่เราไปสัมผัสโดนสิ่งที่เราไปเห็นด้วยตาเนี่ยมันจึงออกผลมาไม่เหมือนกันสําหรับคนที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่ว่าเขาจะอยู่ในคราบของนักธุรกิจเขาจะอยู่ในคราบของข้าราชการหรืออยู่ในคราบของประชาชนธรรมดาก็ตามแต่ก็จะได้ผลเป็นแบบหนึ่งแต่สัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางกายสัมผัสทางตาที่มาพบกับคนที่ประเสริฐและคนที่ประเสริฐก็คืออริยบุคคล น, นั่นแหละ ที่รู้ธรรมะเห็นธรรมะไม่ว่าเขาอยู่ในคราบของข้าราชการอยู่ในคราบของคนธรรมดานักธุรกิจชาวบ้านพนัก ง, งานออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีชะตารกรรมคนละอย่างเนะ่อเพราะว่าคนปุถุชนธรรมดานี่พอถูกต้องสมบัติทางกายนะ่ยก็จะยิ่งลุ่มหลงไปแตนะ่ถ้านั้นมันเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินยินดีเขาพอใจแต่รนะุ่มหลงกำหนิดไปจิตใจก็ลงตามไปอีกเนะ่อเพราะว่าความที่ลุ่มหลงยินดีตรงนั้นอ่าแล้วพอไม่ได้ หรือได้ไม่เหมือนเดิมอย่างที่คาดหวังเอาไว้แล้วก็หงุดหงิดทีนี้เอ่อทําไมนวดแล้วมันไม่เหมือนเดิมทําไมกินแล้วรสชาติไม่เหมือนเดิมตั้งๆที่มันก็อันเดิมนั่นแหละแต่ว่าบางทีการรับรู้ของร่างกายกมันเปลี่ยนแปลงไปหรือบางทีสิ่งนะั้นอาจจะหาไม่มีอม่อหมอโดยคนนั้นไม่อยู่หรือว่ายาอาหารประเภทนี้เนะี่ยมีการเปลี่ยนแปลง ไ, ไปเป็นอย่างอื่นหาไม่ได้อะไรก็ว่าไปแล้วก็จะทําให้เขาเดือดร้อนใจวันไว้เครียดครัด กราฟัดกระเฟียดกระด้างกระดึงแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏแต่หรือจะออกมาอีกแนวหนึ่งก็รให้ครําครวญแต่ทุกอกชชกตัวถึงความเป็นผู้เงินงองกลางเพอป่วยอยู่ก็ยิ่งอาจจะรักษายากเอาอีกแต่ความเครียกกลุ่มรุมนั้นถูกความทุกข์ทางใจเสียแทงด้วยแต่เพราะถ้ามันไม่มีถ้ามันมีก็ถูกความลุ่มหลงรัดรึงแต่ไม่มีความกําหนัดมันอยู่ในใจมันรัดแน่นอยู่อันนี้คือ บุคคลคนธรรมดาไม่รู้เรื่องธรรมะอันนี้จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคนที่ประเสริฐรู้จักหาธรรมะเข้าสู่ใจฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอ่านหนังสือธรรมะบ้างรู้จักการที่จะนั่งสมาธิภาวนาเป็นรูปแบบหรือหลารูปแบบก็ตามแต่ถ้าบอว่ามีทุกขภาวนาเกิดขึ้นทางกายอุบายอะไรอุบายอะไรสําหรับพวกเราคนที่รู้ธรรมะที่จะต้องนํามาใช้อย่างอื่นนอกจากกรรมีสุข นะีที่สามารถที่จะบรรเทาทุกเวทนาทางกายได้นะี่ยคือการมรีสุขอย่างที่ว่าแหละอาหารบางอย่างสัมนผะัสบางอย่างเนถ้าเราเอามาใช้เราเอามาลิ้มเราเอามาทําถ้าจะเป็นเหตุเพื่อที่จะให้เกิดการรักษาในะเราทำได้แต่ว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากลิ้นตรงนั้นความสุขที่เกิดขึ้นจากสัมผัสตรงนั้นอย่าให้มีเพราะนั่นจะทําความตกต่าให้กับเราได้ไม่ว่าจะตกต่ำไปในทางที่พอใจหรือว่าตกต่าไปในทางที่เสียใจ ได้ทันั้นเพราะว่าลิ้นเนี่ยจะเดือดร้อนเพราะรสที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจน่ะกายก็จะเดือดร้อนเพราะสัมผัสทางกายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจได้นะเอา้าถ้าเรารู้วิธีการในการที่จะไม่เอาหาการ ม, มาสุขตรงนั้นวิธีการสําหรับคนที่ประเสริฐที่รู้ธรรมะที่เห็นธรรมะที่เขาจะทําให้เกิดขึ้นได้ก็คือหาความสุขในภายในตั้งฝันหาความสุขในภายใน แทนที่จะไปหาความสุขจากภายนอกความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างไม่เอาไม่เอาแต่มาหาความสุขจากในภายในความสุขที่เกิดจากความสงบระงับความสุขที่เกิดจากความสงัดเงียบความสุขที่เกิดแต่ความเข้าไปรู้ยิ่งความสุขที่เกิดจากความรู้พร้อมความสุขที่เกิดจากความดับเย็นความสุขที่เกิดจากในภายในเห็นไหมอยู่ที่ไหนบางทีทางเข้าของความสุขในภายในเนี่ย เรามองข้ามไปนิดเดียวในอยู่ปลายจมูกมองไม่เห็นตาเนี่ยถ้ามองไม่ดีก็ไม่เห็นปลายจมูกมองข้ามไปแต่ถ้าเราเห็นจมูกของเราเฮ้ยเรามีสติได้นี่เรามีลมหายใจนี่ลมหายใจเป็นที่ตั้งของสตินี่สตินี่แหละท่านผู้ฟังเป็นตัวที่จะนํามาซึ่งสมาธิได้สัมมาสติอันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วจะทําสัมมาสมาถีให้เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้ บุคคลที่มีสัมมาสติตั้งขึ้นเอาไว้การระลึกได้ตั้งแต่เริ่มรายการมาเนี่ยมีสติหรือยังเตั้งสติได้หรือไม่แต่ถ้าสติของเรามาจดจ่ออยู่กับเสียงที่ได้ฟังมารับรู้ถึงธรรมะที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ใช้ธรรมะในการตั้งจิตเอาไว้เนี่ยเป็นฐานที่ตั้งการระลึกถึงเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือว่าถ้าจิตของเราไม่ออกไปในเรื่องที่เป็นการเพยาบาทเบียดเบียน อยู่ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการไม่เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่เกี่ยวข้องด้วยความเบียดเบียนอันนี้ก็เป็นธรรมารูปศาสนาเหมือนกันเป็นการตั้งสติขึ้นโดยการใช้ธรรมะเพราะฉะสตินี่แหละท่านผู้ฟังที่เราจะต้องต่างขึ้นสําหรับคนประเสริฐคนดีคนมีธรรมะไม่ว่าร่างกายของเขาในตอนนั้นจะเป็นคนจนคนมีเงินคนมีชื่อเสียงหรือคนธรรมดาก็ตามก็สามารถที่จะมาเห็นธรรมะเห็นจิตเห็นเวทนาหรือเห็นกายได้ กายเวทนาจิตหรือธรรมะนี่แหละจะเป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งจิตของเราได้เป็นฐานที่ตั้งแห่งสติได้เมื่อมีสติแล้วสมาธิเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นไปได้เพราะเรามีสมาธิแล้วสมาธินี่แหละทัางมั่นังและเป็นสิ่งที่เกิดจากในภายในสมาธินี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารักษาจิตได้จะเป็นสิ่งที่ทํร า, ราททให้เราหาทดแทนความสุขทางกามตรงนั้นแต่แทนที่เราจะไปหาความสุขทางภายนอกท้งตาทา ง, ทางหู เ, เราเข้ามาหาความสุขในภายในอันนี้เป็นวิธีที่1เป็นวิธีที่หนึ่งที่คนประเสริฐอาจจะพึ่งจะมาเริ่มฟังธรรมอาจจะพึ่งที่จะมารู้ธรรมตอนที่จะป่วยนี่แหละก่อนนั้นๆอาจจะไม่รู้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังแต่พอเริ่มจะป่วยเริ่มจะเจ็บทางกายเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นต้องนอนสมอยู่โรงพยาบาลมีคนพูดถึงธรรมะเออก็สา ม, มารถจับโฉยได้ไหวอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะเป็นคนประเสริฐที่พึ่งจะเริ่มรู้ก็ได้พึ่งจะมาเริ่มประเสริฐ อันนั้นก็ดเป็นสิ่งที่เขาจะต้องทําให้เกิดขึ้นในใจนี่คือวิธีที่หนึ่งที่จะสามารถคลายทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายได้เพราะว่าถ้าใจิตใจเรามีความสุขในภายในมันก็มีปีติสุขมันก็สบายใจละ่ะแต่ไม่มาทดแทนความเจ็บภายนอกได้นี่คือวิธีที่หแต่บางครั้งท่บุฟังบางครั้งเนี่ยแม่มันเจ็บมากจนกระทั่งกายเนี่ยมันไม่สงบประงับ น, นกายมันกระตุกกายมันเจ็บมาก จะตั้งสติให้เป็นสมาธิขึ้นเนี่ยโอ้ยบางทีมันยากอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าตื่นเอาไว้นั่นแหะแต่บางทีคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมีอาพาธมากมีทุกขเวทนามากเนี่ยการที่จะมาตั้งสติขึ้นก็เป็นการยากแต่ประเดนตอนที่เรายังไม่ได้เจ็บไข้เนี่ยนะรีบเลยจำบ่วังรีบเลยรีบในการที่ทําความเพียรซะก่อนเพื่อที่จะบรรลุถึงสมาธิตรงเนี้ยเพื่อที่จะบรรลุถึงสิ่งอื่นอื่นในที่เมื่อเราบรรลุแล้วถึงแล้วรู้แล้ว ยังเป็นผู้ที่ป๋าสุดได้แม้เมื่อคราวที่เจ็บไข้อั น, นี้พู้เช่าเตือนไอว้ก่อนล่ะแต่เป็นภัยในอนาคตห น, นึ่งในห้าประการที่เราจะต้องทราบทราบแล้วรู้แล้วรีบแก้ไขจัดการโดยด่วนตอนนี้แต่ถ้าบอกว่าเราเจ็บแล้วตอนนี้ในตานะของคนประเสริฐเนี่ยก็แน่นอนสมาธินี่เป็นวิธีหนึ่งแต่ถ้าบอกว่ามันไม่ได้ร่างกายมันเจ็บมากมีความที่กายไม่สงบระงับนะลักษณะนี้ผู้เช่าจะใช้ศัพท์ว่าอาการที่กายไม่สงบระงับ กายไม่สงบประ ง, งับเช่นอาจจะเพอ้ออาจจะเจ็บมากถึงกระดูกอาจจะต้องนอนสมนกระตุกะมีทุกอย่างแต่ถ้าการไม่สงบระ ง, งับในาการทําสมาธิสําหรับถ้าคนไม่ได้เคยฝึกไม่ได้เคยทําอย่างชํานาญเนี่ยบางทีทําได้ยากวิธีที่2ทําำยังไงวิธีที่สอ ง, อ ง, สองก็คือการที่เราอาจจะระลึกถึงเรื่องของศีลของเราก็ได้ศีลความดีความงามที่เราได้เคยทํามาปฏิบัติม า, ากายมันอาจจะไม่สงบระ ง, งับละ เนใช้สมาธิบางทีมันยากเอาก็ไประลึกถึงศีลเดีใช้ศีลเป็นฐานที่ตั้งของสติได้เอาพระพุทธพระธรรมประสงค์ก็ใช้ได้เดี๋อย่างละศีลพระพุทธพระธรรมประสงค์อันนี้ใช้ได้หมด4อย่างนี้ก็รวมเป็น5อย่างแล้วสําหรับวิธีที่คนที่ประเสริฐเนี่ยเขาจะมาใช้ในการที่จะออกจากความทุกข์ได้เดีวนะส่วนวิธีที่6กเดีคือการพิจารณาก็ได้อย่างเช่นการพิจารณาให้เห็นร่างกาย โดยความเป็นของไม่ดีไม่สวยงามเนื่องเพราะเราป่วยแล้วนี่เราเจ็บแล้วนี่แหมเห็นความไม่เที่ยงเต็มที่เลยเห็นความไม่เที่ยงนี่ก็หกเห็นความไม่สวยงามนี่ก็เจเห็นความที่สิ่งทั้งปวงเป็นของไม่น่ายินดีนี่ก็8และมีหลายวิธีมั่นทำฝั่งและในการที่เราจะปลดเปลื้องทุกเวทนามีหลายวิธีมากในการที่เราจะให้เป็นที่อยู่ของจิตของเราเพื่อที่จิตของเราเนี่ยมันจะได้ไม่เปกเหลือกล้วนในเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายตรงนั้น คือพราะว่าถ้าจิตของเราถ้าไปเกลือกล้วในเวทนาเช่นในเวทนาที่เป็นทุกข์ตรงนี้เราจะทุกข์ใจด้วยแต่ถ้าจิตของเรามีการงานอยู่แลนะมีก า, การทำอะไรสักอย่างหนึ่งทําอยู่จิตมันก็จะไม่ปไปเกลือกล้วในสิ่งที่เป็นทุกข์เวทนาทางกายตรงนั้นแต่ซึ่งมันจะนํามาซึ่งความทุกข์จิตก็จะทุกข์ไปอีกดอกที่2แต่ถ้าเรามีงานให้จิตทํานำะเป็นลักษณะของการตั้งสติขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรเลึกถึงสิ่งของตัวเองหรือเลิกถึงคุณงามความดีของพระเจ้า หรือถึงเรื่องของพระธรรมหรือถึงเรื่องของพระสงฆ์หรือการเห็นความไม่เที่ยงแต่สิ่งพวกนี้จะมาเป็นสิ่งที่ทดแทนจะมาเป็นสิ่งที่เป็นงานให้จิ ต, ตเนะ่องจากจิตมีงานทําแล้วมันจะไม่ไปยึดถือในสิ่งที่ไม่ดีแต่แต่ถ้าปุถุชนเนี่ยคนธรรมดาไม่รู้จักเรื่องวิธีการงานของจิตตรงนี้นี่จิตเขาก็จะไปเกลือกล้วในสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาตอนนั้นแล้วเขคิดจะไปหาความสุขเวทนาทางกายอย่างอื่น กลกับก็ไปเกลือกกลรวดในสุขเวทนาทางกายแล้วนี่แล้ ก, ก, ก็ยิ่งทุกเข้าไปอี ก, กใจไปเกลือกรวดวล้วลทุกข์ครั้งที่2แต่ถ้าเป็นคนที่ประเสริฐคนที่รู้เรื่องรู้ราวเคยฟังธรรมะเคยปฏิบัติธรรมะในรูปแบบนอกรูปแบบก็ตามนั้นก็จะหาสิ่งทดแทนในใจไม่ให้ใจนั้นไปเกลือกกลร ว, วกับสิ่งที่จะนำมาซึ่งอกุศลระดำได้แน่นอนเวททุกขเวทนาบางทีมันนํามาซึ่งอกุศลระดำได้ความสุขทางกามสุขโยไม่เถียง และบางทีนํามาซึ่งอกุศลธรรมได้คือมันนํามาแน่ๆละ่ะนํามากด้วยแต่ถ้าเราหาความสุขที่เกิดจากในภายในอันนี้ดีไม่มีสิ่งที่เป็นอกุศลเจือปนเรามาตั้งส ต, ติด้วยวิธีการอย่างอื่นเรา อ, อาจจะใช้กายไม่ได้เเราก็ใช้สิ่งของเราถ้าเราตั้งจิตไว้อย่างนี้เออจิตเราตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลนะไม่มีอกุศลเจือปนพวกนี้ใจของเราจะไม่เกลือนกลั้วไปในธรรมะพวกนั้นได้เลยเพราะว่าธรรมะเหล่านี้เนี่ย เป็นไปเพื่อความละวางเป็นไปเพื่อความผ่านพน้นเป็นไปเพื่อความที่รู้แจ้งเนะรู้แจ้งเกิดขึ้นในใจแล้วบางทีมันมีปีติมีสุขเกิดขึ้นในใจปีติสุขที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเป็นผลอาจจะทําให้ทุกขเวทนาบางอย่างนคลายลงไปลหลายๆคนลหลายๆท่านนะไม่ว่าจะเป็นตัวพระพุทธเจ้าเองตัวท่านพระสารีบุตรหรือว่าตัวท่านพระมหามโมคระณนะหรือที่เรารู้จักกันในเรื่องนี้ก็มีเรื่องของ ท่านบระกิริมาณนน์นี่ยที่สามารถคลายทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นโดยควรตามฐานะได้นะอาภาร์บางอย่างก็หายไปตามควรแก่ฐานะแต่ถ้าเป็นครวาชสมัยพุทธการมีไหมก็อย่างเช่นอนาถาบินฑกาเศรษฐีเนี่ยทุกขเวทนาทางกายโรคภัยไข้เจ็บอะไรบางอย่างเน่ยพอใจมีปิติเกิดขึ้นจากการได้ฟังธรรมมีสติตั้งอยู่ในธรรมก็หายได้โดยควรแก่ฐานะ แต่สมัยปัจจุบันเรามีไหมโอ้ยดูอย่างแม่สิธามุฟังแม่ที่คลอดบุตรออกมาเนี่ยเจ็บไหมโอ้ยไม่ต้องถามแต่คือมันเจ็บแน่นอนแต่คนที่ผ่านประสบการณ์นี้คงจะทราบคนที่ไม่เคยผ่านหรือผู้ชายก็ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้ก็ให้ทราบไว้ว่ามันเจ็บมากแั่เจ็บมากขนาดนี้แต่พอลูกเน้คลอดออกมาอยู่ในอ้อมอกของตัวเองแม่มันสบายใจมาก แตนะความเจ็บในะวินาทีนั้นมันเหมือนหายเป็นปริดิ้งแตนะ่เจ็บอยู่แต่มันก็แยกไปแต่ใจนั้นมีปีติสุขอันนี้ในปัจจุบันเราก็เห็นได้อยู่แตนะอันนี้คือที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความทุกข์ทางกายไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือใครทําร้ายหรือว่าเหตุอันยังใดอย่างหนึง่งแต่ร่างกายเราก็รักษาไปแต่นะหมอหรือว่าด้วยวิธีการต่างๆที่เราจะต้องทําต้องรักษา อันนั้ต้องเป็นไปตามกระบวนการ น, นี่ต้องทําแต่คือไม่ใช่ว่าเราจะมาหาความสุขในภายในแล้วก็ปล่อยให้โรค ม, มันหายเองหรือว่าคิดว่ามันจะดีได้เองแผลมานจะหาเองโดยที่ไม่ได้รักษาไม่ได้อะไรอันนั้นมันก็ไม่ได้นะเราก็ต้องไปรักษาตามกระบวนการการรักษาไปอันนั้นก็ทําไปแต่แต่ใจแต่วิธีการรักษาใจคือการที่เราจะต้องให้จิตของเราเนี่ยอย่างน้อยเนอยาไปหาความสุขที่เกิดทางขามเพราะนั้นจะนํามาซึ่งความทุกข์ใจเพิ่มขึ้นแต่ให้หา สิ่งอื่นๆเช่นความสุขในภายในได้เช่นเรื่องการพิจารณาได้หรืเช่นเรื่องของการตั้งสติขึ้นโดยสิ่ของตัวเองหรือึกถึงพรริชาได้แรือนึถึงความพิจารณาเป็นของไม่เที่ยงก็ได้ได้ทั้งสิ้นเพื่ออะไรเพื่อให้งานมีกับจิตจิตมีงานแล้วจะไม่เกลือนกลั้วในอารมณ์ต่างๆพอไม่เกลือนกลั้วในอารมณ์ต่างๆ เ, เาราเป็นอิสระจากความรู้สึกทุกขเวทนาทางกายนั้นจิตที่เป็นอิสระจากความทุกขเวทนาทางกายนั้นเนี่ยจะมีความสุขอยู่ ความสุขในภายในที่เกิดขึ้นตรงนี้แหะเป็นสิ่งที่จะคอยป้องกันจิตได้นะป้องกันจิตแล้วบางทีมันดีอาจจะทำให้กายมันหายได้ด้วยแต่นะยิ่งรักษาเร็วขึ้นแผลหายเร็วขึ้นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆก็อาจจะดีขึ้นได้ตามคนแก่ฐานะเพราะฉะนั้นคนที่รู้ธรรมะเห็นธรรมะจะเป็นอย่างนี้นะเราตื่นมาฟังธรรมแต่เช้ารู้จักหาสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งดีงามเข้าในใจให้ทาอย่างนี้ ให้รู้ข้อมูลนี้ไว้เพื่อเวลาที่เรามีความทุกข์กายเกิดขึ้นเราว่าจะได้ทําได้หรือเวลาที่ใครสักค น, กนหนึ่งเขาอาจจะยังไม่ได้เป็นคนประเสริฐแต่ถ้าเขาเป็นผู้ที่จับจุ้ยได้ไวในคุณสมบัติทั้งหลายได้ฟังข้อมูลนี้แล้วรู้วิธีการในการที่จะทำจิตของตนอย่างไรวางจิตของตนอย่างไรวางแล้วทําแล้วดีแล้วมันประเสริฐตัง้งต่ฝังธรรมะนี้เป็นของประเสริฐเป็นของดีที่เราเนี่ย พอรู้แล้วฟังแล้วเอามาปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นมันจะสมควรค่าแก่ความเป็นความดีของธรรมะนั่นเองแล้วถ้าเราทำได้อย่างนี้แน่นอนคนรอบข้างก็ได้ประโยชน์ด้วยแต่ถ้าดูแลโรคภัยใค่เจ็บกันอยู่ก็ดูแลง่ายรักษาง่ายถ้าเป็นทุกขเวทนาทางกายอย่างอื่นของตกใสเดินเตะหินคนที่อยู่รอบข้างนั้นก็จะไม่ได้รับการบ่นกันว่าไม่ได้รับการเลียนเบียนแต่พูดง่ายๆก็คือว่า แต่ตัวคนเจ็บเนี่ยมีสติรักษาก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นไปด้วยเผื่อพอเราเข้าใจอย่างนี้ได้แล้วนั้เราแบ่งบันคนอื่นทำมาฟังในการที่เรารู้เองทำเองเห็นเองให้มันสมกับควรค่าความดีของความเป็นธรรมะแล้วแม่เราปฏิบัติได้แล้วมันดีแล้วมันเลิศแล้วเราแบ่งบันคนอื่นนั่นเป็นการตอบแทนบุญคุณของธรรมะเป็นการตอบแทนบุญคุณของพุทธเจ้าที่ได้ให้ข้อมูลต่างๆเราเนียไว้ แต่คนที่เราพอจะบอกได้สอนได้ให้เขามาอยู่ในเส้นทางนี้ให้เขามารู้ธรรมะตรงนี้นั่นนี่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณได้แต่เราปฏิบัติ ด, ดีประบัติชอบทําให้ดีให้ได้เนี่ให้มีกําลังใจธรรมวังแต่ความทุกข์กายทุกคนเกิดขึ้นแน่นอนพ ร, ระเจ้าก็เกิดตัวข้าพเจ้าก็มีแต่ธรรมวังบางคนก็อาจจะมีทุกข์กายธรรมดาเนะมีกายมันก็ทุกข์ได้แต่ว่าในใจแล้วขอให้สบายขอให้มีธรรมะหล่อเลี้ยง ใจเอาไว้เป็นเครื่องที่จะทำให้มีความชุ่มเย็นมีความสบายใจเกิดขึ้นได้กับชาวพระภัยบูณนะ์อภิปุโนจาววัปดป่าดอนไอโศกเชิญบอน